อำเภอเล็กๆของจังหวัดกาลสินที่เคยสงบกลับต้องตื่นตัวกันอีกครั้งเพราะเกิดเหตุฆาตกรรมที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วทั้งจังหวัดนั่นคือครูธงชัยถูกตำรวจตั้งข้อสงสยัยว่าเป็นคนที่ฆ่าภรรยาตัวเองเสียชีวิตในที่สุดครูธงชัยก็ถูกจับกลุมตัวค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะจับตัวไว้ดำเนินคดีจึงได้ปล่อยตัวออกไปในที่สุดนะคะ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องต่างๆจะจบลงหากบุญพันธ์ตำรวจนายหนึ่งไม่ไปพบหลักฐานชิ้นสำคัญเขา้าหลังจากที่คดีเอาผิดกับครูธงชัยไม่ได้ครูธงชัยก็ตัดสินใจไปพักผ่อนที่ต่างประเทศเพื่อหลีกหนีนักข่าวและคนรู้จักที่จ้องแต่จะคาดคั้นเอาความจริงเรื่องการตายของภรรยาจากเขาให้ได้ ก่อนที่ครูธงชัยจะไปครูธงชัยก็ขายรถบีเอ็มยคันเก่งของตัวเองที่เต็นต์รถมือสองแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดกาลสิน์ได้เงินมาก้อนหนึ่งที่มากพอที่จะทําให้เขาอยู่ต่างประเทศได้เป็นเดือนหลังจากนั้นครูธงชัยก็เดินทางไปประเทศอังกฤษอยู่ทางนี้เหตุการณ์ที่สําคัญยังคงดําเนินต่อไปตํารวจได้ซื้อรถของครูธงชัยจากเต็นต์รถเพราะเห็นว่ารถดังกล่าวอยู่ในสภาพดีถ้าแต่งอีกสักหน่อยก็คงเหมือนรถมือหนึ่งได้เลย สำหรับตอนที่ซื้อรถคันนั้นนายตำรวจยังไม่ทราบว่าเป็นของครูธงชัยที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าภรรยาตัวเองจึงไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะนายตำรวจรายนี้ได้นำรถไปล้างแล้วก็จะตกแต่งรถเพิ่มเพราะว่ามีบางส่วนที่จะต้องซ่อมแซมอยู่บ้าง จนในที่สุดค่ะพอเปิดกระโปรงท้ายรถก็ได้กลิ่นคละคลุ้งเหมือนกลิ่นซากศพลอยมาประทะจมูกของตัวเองเข้าอย่างจังทําให้ในายตำตรวจผู้นี้ถึงกับผงะออกไปเลยทีเดียวพร้อมกับเรียกเจ้าของอู่มาดูรถนะคะเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจเจ้าของอู่ก็ถามค่ะว่ า, าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นนายตำรวจคน น, นั้นเงียบไปนะคะแล้วก็ได้กลิ่นพร้อมกับอุทานบอกว่ากลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเหมือนยังกระสอบเนะ เจ้าของอู่เป็นคนอูทานก็เลยทําให้นายตำรวจสงสัยขึ้นมารถคันนี้ของใครเหรอพี่เจ้าของอู่ถามนายตำรวจคนนั้นตำรวจก็พยายามถามตัวเองเหมือนกันว่ามันจะมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกันแน่แต่ว่าตนต้องรู้ให้ได้ทั้งสองคนก็เลยตรวจดูกระโปรงท้ายรถอีกครั้ง ก็พบกับเศษผ้าชิ้นหนึ่งซึ่งเปื้อนเลือดค่ะตำรวจคนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเศษกระโปรงของผู้หญิงจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะเห็นว่าน่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกแน่นอน นายตำรวจคนนั้นก็เลยเดินทางไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เต็นท์รถมือสองที่ตัวเองได้ซื้อรถมาก็ได้รู้ค่ะว่านายธงชัยเจริญดีเป็นคนนํารถมาขายนายตำรวจก็เลยกลับไปที่สถานีตารวจค่ะเพื่อหาความผิดปกติต่างๆทันทีก็ไปถามกันกันกบตําบัญดาตํารวจในโรงพักบอกว่ามีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนายธงชัยเจริญดีบ้างหรือเปล่าก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยออกจะดังผู้กองไม่ทราบเหรอครับนายตำรวจอีกคนนึงก็ถามขึ้นนะคะ ก็บอกว่าคดีของครูธงชัยเจริญดีเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาตัวเองแต่ว่าเราต้องปล่อยตัวไปเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรมัดตัวเขาได้เลย ตำรวจหรือผู้กองได้ฟังเรื่องก็พอจะปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ค่ะแล้วก็คิดหาทางคลี่คลายคดีโดยเริ่มจากการรวบรวมหลักฐานต่างๆจากในรถคันดังกล่าวซึ่งจะมีเศษผ้าพเปื้อนเลือดผืนเดียวเท่านั้นแต่แค่นี้ก็พอจะตรวจหาหลักฐานผู้กระทําความผิดได้ผู้กองก็เลยได้นําคราบเลือดแล้วก็เศษผ้าดังกล่าวเนี่ยไปตรวจ DNA ตรวจหาลายนิ้วมือซึ่งก็ปรากฏนะคะว่า d n a นเอตรงกับของผู้ตายและลายนิ้วมือที่อยู่บนผ้าก็เป็นลายนิ้วมือเดียวกันกับครูธงชัยด้วยค่ะต่อมาจากการสืบสวนก็พบนะคะว่าหลักฐานอีกหลายชิ้นที่จะมัดตัวครูธงชัยเหลือแต่รอเวลาให้ครูธงชัยกลับมาเท่านั้นตำรวจจะนำหลักฐานที่มีทั้งหมดเข้าจับกลุ่มครูธงชัยทันที เวลาผ่านไปสามสัปดาห์ครูธงชัยก็กลับมาจากต่างประเทศโดยครูธงชัยเองนะคะก็คงจะคิดค่ะว่าคดีคงเงียบสงบแต่ว่าพอมาถึงบ้านก็พบหมายเรียกตัวของตํารวจครูธงชัยเริ่มรู้สึกไม่ดีก็เลยบอกกับน้องชายว่าตัวเองจะยังไม่มอบตัวเดี๋ยวขอไปต่างจังหวัดเพื่อหาแม่ก่อนแล้วก็จะกลับมามอบตัวนะคะ ขณะที่จะออกไปจับกลุ่มตัวครูธงชัยนั้นค่ะตำรวจก็พบว่าครูธงชัยเนี่ยกำลังขับรถเพื่อหนีการจับกลุมอยู่ตำรวจก็เลยขับตามไปแต่ว่าครูธงชัยก็ขับหนีทำให้เหมือนการไล่ล่าผู้ร้าย ผิดก็ตรงที่ตำรวจไม่ต้องการจะจับตายครูธงชยัยแต่ดูเหมือนโชคชะตาบังคับให้ครูธงชัยต้องตายเพราะว่ามีรถบรรทุกวิ่งตัดหน้ารถครูธงชยัยชนประสานงานรถครูธงชัยแบบไม่มีชิ้นดีค่ะร่า ง, งครูเนี่ยขาดเป็นท่อนๆเป็นที่สยดสยองต่อสายตาผู้พบเห็นราวกับว่าเป็นการตายของภรรยาครูธงชยัยที่ต้องถูกฆ่าเป็นชิ้นชิ้น หลังจากคดีจบลงผู้กองที่ช่วยชีวิตเป็นคนเรียกความยุติธรรมให้กับภรรยากรูธงชยัยก็ฝันถึงผู้หญิงที่มาขอบคุณตนแล้วก็จากไปพร้อมกับเศษผ้าชิ้นนั้นเศษผ้าที่เรียกร้องความยุติธรรมจากสังคมคดีนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะบอกว่าไม่ว่าเราจะทำผิดผ่านการเวลานานแค่ไหนความผิดก็จะติดตัวเราไปตลอดและยากที่จะลบล้างมีเพียงแค่ต้องชดใช้เท่านั้น ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีผู้คนพลุกพล่านตลอด24ชั่วโมงจะเคยมีคนที่เคราะหร้ายเป็นเหยื่อโดนผีนางตะเคียนหลอกพูดไปให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อ คนที่เล่าเรื่องนี้เป็นคนที่ขับรถตุ๊กๆ3สาล้อป้ายเหลืองของกรุงเทพมหานครค่ะแกเช่ารถตุ๊กๆคันนี้วิ่งรับจ้างรับส่งผู้โดยสารจากอู่ของเฒ่าแก่แห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีสมมุติแกชื่อว่านาจันละกันเนาะแกเป็นคนโคราชค่ะความลี้ลับเหนือธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกขับรถตุ๊กๆมาหลายปีรายได้ก็พอมีอันจะกินนะะไม่ขัดสน ก็แกเป็นคนประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเช่าห้องเล็กๆพอซุกหัวนอนอยู่คนเดียวลูกเมียก็อยู่ต่างจังหวัดกันหมดแกจะขับรถตุ๊กๆ ก, กะกลางคืนห่ะตะเวนหากินละแวกย่านปากคลองตลาดสนามหลวงเยาวราชตรอกเข้าสารวงเวียนใหญ่ประมาณนี้ไม่ค่อยวิ่งไกลเหมือนรถแท็กซี่เพราะว่ามีจำกัดในการใช้เชื้อเพลิงคืนหนึ่งนะคะแกขับรถตุ๊กๆคันนี้เลาะเรียบข้างวัดพระแก้วด้านที่ติดกับกระรุงกลาโหม จนมาถึงสวนวังสรนรมใกล้ๆ ก, กันกับกรมการรักษาดินแดนเยื้องกับวัดโพนิดๆนะคะก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ริมฟุตบาทโบกเรียกรถแท็กซี่หลายคันก็ไม่มีใครยอมไปก็เลยมาโบกเรียกรถตุ๊กๆค่ะคันที่แกขับนี่แหละแกก็เลยรีบจอดรถตุ๊กๆที่ข้างฟุตบาทผู้หญิงคนนี้ยื่นหน้ามาถามว่าพาขับรถเที่ยวรอบๆเกาะรัตนโ ก, กสินทร์ได้ไหมแล้วก็เสนอราคาค่าตอบแทนให้ค่อนข้างสูงพอสมควร แกก็เห็นว่าเออน่าสนใจก็เลยตอบตกลงค่ะรับบริการผู้หญิงคนนี้พาเธอนั่งรถชมเกาะรัตนโกสินทร์ตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงวันเฉลิมหลังวันเฉลิมพอดีนะคะไฟก็ยังสว่างเจิดจ้าอยู่เธอก้าวขาขึ้นมานั่งบนเบาะรถกลิ่นดอกไม้ลั่นทมนี่หอมลอยฟุ้งกระจายเธอก้าวขาเข้ามาในเบาะรถนะคะพร้อมกับกลิ่นทูบลอยมาสมทบอีก ลุงลุงจันหรือว่าน้าจันเนี่ยแกก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรือสังหอนใจอะไรค่ะก็นึกว่าเออเป็นลูกค้าธรรมดาและลูกค้าคนนี้ยังเป็นผู้หญิงด้วยไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยแกก็ขับรถพาตระเวนชมไฟเฉลิมไปรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งก็เป็นทีน่าแปลกใจนะคะว่าตลอดทางเธอไม่พูดไม่คุยอะไรสักคํากับแกเลยเธอนั่งแข็งทื่อทอดสายตามองดูไฟและผู้คนที่เดินคลุกพล้านชมไฟกันจากหกทุ่มจนถึงตีสอง แกก็ขับรถตุ๊กๆนะคะบริการพาเธอนั่งชมไฟบริเวณเกาะรัตนโกศินป์สองชั่วโมงค่ะเธอก็บอกให้แกขับรถไปจอดที่ริมคลองหลอดด้านบ้านหม้อใกล้กันกับศาลเจ้าพ่อหอกลองแกก็พาเธอมาส่งที่หน้าประตูสวนวังสรันรมพร้อมกับจ่ายเงินค่ารถให้นจันตามที่ตกลงกันเอาไว้และเธอยังให้เงินทิปแกอีก200บาท เธอก็ลงจากรถตุก๊กๆกมายืนที่ริมฟุตบาทมองซ้ายหันขวาเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างแกก็ชะงดใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอสวมใส่เสื้อผ้าชุดโบราณในสีชมพูหวานแววผู้หญิงที่สวมใส่ชุดโบราณ น, นุ่งผ้าถุงมันระยิบระยับเป็นผ้าไหมใส่เสื้อบางรัดรูปแขนยาวมีผ้าแพรบางพาดไหล มีเครื่องประดับเช่นนี้ส่วนมากจะอยู่ในวังเป็นข้าทาสบริวารหรือเป็นผู้มีอันจะกินเป็นเชื้อเจ้าขุนมูลนายแกคิดได้เท่านี้ก็ไม่สนใจอะไรอีกละพอได้เงินค่าโดยสารแล้วแกก็รีบขับรถตุกๆ ต, ตระเวนหาผู้โดยสารต่อไปสักครู่ใหญ่ๆนะคะแกก็ได้ขับรถคู่ชีพคันนี้มาส่งผู้โดยสารที่ท้องสนามหลวงอีกครั้งจึงหาที่ที่จะมีไฟสว่างจอดรถข้างริมฟุตบาท ซึ่งก็มีเพื่อนคนอาชีพเดียวกันเนี้ค่ะจอดรถตุกๆอยู่หลายคันล้วนแต่เป็นคนภาคเดียวกันทํามาหากินในกรุงเทพทั้งนั้นแล้วก็ผู้คนที่มาเดินชมไฟวันเฉลิมเริ่มบางตาน้อยลงแต่ก็ยังมีรถวิ่งกันขวักไขวายไปมาตลอดเวลาแกทักทายเพื่อนขับรถตุกๆ ต, ตามธรรมเนียมก่อนจะควักเงินในกระเป๋าเสื้อออกมานับดูว่าคืนนี้ได้เท่าไหร่เงินมีทั้งแบงก์ยีบแบงก์ร้อยเป็นปึกเลยนะคะแกะนับเงินทีละใบทีละใบเพื่อความแน่นอน แกก็ต้องมาตกใจค่ะเมื่อพบว่าแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบจำนวนปึกหนึ่งที่เป็นกระดาษเปล่าๆซึ่งแกจำได้ว่าเงินปึกนี้เนี่ยเป็นเงินที่ผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณให้เป็นค่ารถพาตะเวนเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็แบงค์ร้อยอีกสองใบเป็นเงินทิปที่เธอให้พิเศษและตอนที่แกรับเงินจากเธอเนี่ยยังเห็นอยู่ว่าเป็นแบงค์จริงแต่ทาไมมาตอนนี้มันกลายเป็นกระดาษเปล่าๆไปเลย แกก็ยืนเกาหัวไปมาอยู่หลายครั้งด้วยความงงอะนะคะหยิบกระดาษเปล่าปึกนั้นขึ้นมาพิจารณาดูให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อความมั่นใจดูยังไงมันก็เป็นกระดาษนะคะแกก็มาคิดทบทวนฉุกคิดไปมาเอ๊ะคงจะโดนผู้หญิงคนนี้หลอกเป็นแน่ปริศนานี้แกไม่กล้าเล่าให้เพื่อนๆที่ขับรถตุกๆอาชีพเดียวกันที่จอดอยู่ใกล้ๆกันฟังเพียงแต่ถามเพื่อนๆบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณมายืนโบกรถที่ข้างๆสวนวังสรารนรมบ้างไหม เพื่อนๆก็พากันสายหน้าพูดเป็นภาษาอีสานบอกไม่มีใครเห็นเลยแต่มีเพื่อนอีกคนนึงใส่เสื้อลายสวมกางเกงยีนขายาวค่ะที่ยืนอยู่ใกล้ต้นมะขามท้องสนามหลวงยื่นหน้ามาพูดบอกเคยเห็นเธอเป็นคนที่ไหนล่ะเธอเป็นผีนางตะเคียนที่วังสรารนรมมีคนโดนหลอกกันมานับไม่ถ้วน ณจันแกก็ทําหน้าเลิกลักนะคะเหมือนจะตกใจนิดๆแล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยจะโกหกและมันได้อะไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในใจก็ฉุนผีนางตะเคียนตนนี้เหมือนกันทําอะไรไม่ได้นอกจากจะพูดลอยไปตามสายลมไปให้ผีตะเคียนเนี่ยรับรู้ว่าอย่าได้จองเวรตามหลอกหลอนกันอีกเลยมีเลขเด็ดๆอะไรก็มาเข้าฝันบอกกันบ้างนะ ผู้จบกะยกมือท่วมหัวไหว้ผีนางตะเคียนค่ะด้วยใจหดหู่ที่คืนนี้ดวงไม่ค่อยดีรับผีนางตะเคียนพาเที่ยวชมไฟรอบเกาะรัตนโกสินลร์ฟรีๆและเงินที่เธอให้มานั้นก็เป็นแค่กระดาษเปล่าเมื่อคืนนี้เลอกไม่ดีจึงขับรถกลับอู่ไปนอนเอาแรงต่อสู้กับชีวิตในวันใหม่นี่แหละค่ะชีวิตของคนหาเช้ากินค่ําคนที่ด้อยการศึกษาจากบ้านนอกมาทํางานในเมืองกรุงปากกัดตีนถีเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ต่อสู้สารพัดปัญหาแม้กระทั่งผีนะคะก็ยังมาหลอกคนอาชีพต่ำต้อยแบบแกเลยไม่น่าเชื่อว่าผีนักตะเคียนจะกล้าทำได้แต่เอวังกับชีวิตแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นผีนักตะเคียนว่ามีจริงไหมก็ลองแวะเวียนไปละกันวังสรันรมนะคะไปบ่อยยืนตามเสาไฟเยอะเลย